วงกุดไพรเล่มสองตอนที่192บหน้าบัตรนี้คณะของคุณชายเชษฐาและพวกลูกหาบทั้งหมดได้ยืนอยู่บนส่วนหนึ่งอันเกือบจะเป็นกึ่งกลางของถนนสายใหญ่ที่ทอดข้ามไปในระหว่างหุบเขาตรังานเงื้อมเหนือเมฆแล้วภายหลังจากได้ขึ้นมาตามแก่งแง่โขดหินยอดสุดท้ายตั้งแต่เช้าจนจดเวลาบ่าย ริบรบลงไปเบื้องล่างบนเนินเขาที่ต่ำลงไปวายาเจ้าผู้ครองนครลิงนีลาและไพรพลลิงดำทั้งหลายประมาณ 50-60 ถึงตนยืนอยู่ในระหว่างสายหมอกขาวมัวที่พัดผ่านพวกนั้นกำลังโบกมือให้อยู่ย้อยๆบ้างก็กระโดดโลดเต้นหกเมนตีลังกาแสดงท่าทีปิติยินดีหรือมิฉะนั้นก็เป็นการอวยชัยให้พรก่อนจาก ภายหลังจากที่ได้ร่วมเดินทางมาส่งคณะทั้งหมดให้จนถึงที่โดยใช้เวลาเพียงไม่เกินหวันนับตั้งแต่คณะทั้งหมดได้ออกจากภูเขานิลการมาโดยพักอยู่ในนครลิงเพียงแค่ชั่ววันและคืนเดียวทุกคนยืนสูดลมหายใจลึกอยู่บนขอบไหลถนนและจับลงไปเบื้องล่างพร้อมทั้งโบกมือตอบดารินวราริศ ส่งจูบลงไปให้วายาและลิงดำอันเป็นไพร่พลของนครนิลการเหล่านั้นขอบใจมากวายาเราจะพบกันอีกถ้าเราผ่านภูเขานิลการหลอนตะโกนกล้องไปทั้งหุบเขาบริเวณนั้นอาการโบกมือปัดไปทางทิศเหนือช้าช้าเป็นจังหวะของวายาที่มองเห็นยืนตะงานสูงเด่นอยู่กลางไพร่พลของเขา เหมือนจะเป็นการเตือนให้คณะของดารินรีบเคลื่อนตัวไปตามถนนทันทีโดยไม่ให้เสียเวลาไปอีกเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งหมดยิ้มแย้มมีสีหน้าเบิกบานและเต็มไปด้วยความสมหวังโบกมือตอบกับวายาและลิงพวกนั้นอีกอุดใจใหญ่อดีตพรานชดประชากร หรือคุณชายอนุชาก็หันมาทำสัญญาณกับฝ่ายของตนอันรวมทั้งสิ้น16ชีวิตพร้อมกับบอกอย่างตื่นเต้นยินดีว่าเราออกเดินทางต่อได้แล้วครับผมกะว่าก่อนค่ำนี้เราอาจพบชนบทนิคมคามของพวกที่อยู่แถบปลายแดนทางด้านนี้บ้างแน่นอนวายานำเราส่งขึ้นมาถึงเกือบส่วนกลางของถนนพระศิวะห่างจาก ต้นทางปลายสุดมากทีเดียวเท่ากับเป็นการย่นระยะให้กับพวกเราได้มากที่สุดด้วยเชษฐาชายันนันอินและขยินอันเคยเดินผ่านเส้นทางสายนี้มาก่อนแล้วขณะนี้พากันกวาดสายตาสำรวจไปรอบๆ อ, อ, อย่างปิติหรือที่จะกล่าวได้มันเป็นจริงอย่างที่อนุชาบอกทุกอย่าง ตำแหน่งที่ไต่ทางขึ้นมาเหยียบยืนกันอยู่นี้จัดได้ว่าเป็นบริเวณเกือบจะ ก, กึ่งกลางของถนนพระศิวะอันยาวเหยียดแตกต่างกว่าครั้งที่มากับระพินในครั้งนั้นซึ่งเริ่มต้นขึ้นมาจากปลายถนนด้านสุดห่างไกลออกไปอีกชนิดถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าก็คงจะกินเวลาเป็นวันทีเดียวภูมิประเทศ ร, รอบด้านฝั่งตรงข้ามกับที่ปีนกันขึ้นมาเป็นป่าละเมาะสลับไปกับทุ่งหญ้าและ แลลิบเลี่ยไกลออกไปก็ดูคล้ายๆกับจะเป็นพวกไร่ซากของพวกเกษตรกรที่ย้ายถิ่นรกร้างไปแล้วมันกลายเป็นโลกอีกโลกหนึ่งหรืออาณาจาักรเขตขันทสีมาของประเทศอีกประเทศหนึ่งโดยแยกตัวห่างออกมาจากสภาพป่าเขาลำนาวไพรที่ทั้งหมดบุกบันกันมาแล้วเป็นตรงข้ามทีเดียว พวกลูกหาบทั้งสิบคนอันไม่เคยพบเห็นมาก่อนพากาันเบิกตากว้างเลี้ยวไปรอบๆด้วยอาการงุนงงเลิกลักกันไปหมดนานอินกับขยินยิ้มราชา ย, ยันนั้นพึมพำรรออกมาว่าวิเศษสุดคาดคิดไปไม่ถึงเลยให้มันได้อย่างนี้สหายวายาเอ๋ยพวกเล่นหาทางส่งขึ้นมาจนเกือบจะถึงตัวเมืองเลยแกพอจำบริเวณนี้ได้บ้างไหมช ย, ยัน เช่ถาถามายิ้มยิ้มอย่างเบิกบานสหายของเขาพยายามพินิจไปรอบด้านมันคุ้นๆสายตาเหลือเกินนะแต่ยังนึกไม่ออกนะักดูที่เนินหลังเต่าลูกนนอนอเดต ท, ท่านทูทหารบกชี้มือไปยังเนินโลกหนึ่งตั้งอยู่ในวงแวดล้อมของหมู่ไม้หมู่บ้านของพวกขบฏกู้ชาติของสุกรีที่รหัสยะยกพลเข้ามาขายี้ในคราวนั้นยังไงละ่ะตอนนั้นพวกเราทั้งหมด ถูกมันคุมตัวมาจากหัวถนนกลายเป็นเฉลยของพวกมันและมาเห็นเหตุการณ์เข้าด้วยเออจริงด้วยจำได้แล้วถ้างั้นถ้าเราเดินทางด้วยมา้าจากบริเวณนี้จนถึงเมืองก็ไม่น่าจะใช้เวลาเกินกว่าสองสามวันเท่านั้นมันใกล้ตัวนะครหลวงเข้ามาที่สุดแล้วชัยยันร้องออกมา ถ้างั้นเราตัดจากถนนนี่ลงทุ่งไปที่เนินลูกนั้นก่อนดีกว่าอาจพบบ้านเรือนของชาวชนบทที่มาทําไร่ทํานาอยู่แถวนี้ถ้าพบชาวมรกรนครแถบนี้เราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินให้ลําบากอีกแล้วให้พวกเขาไปส่งข่าวให้จักราราชรู้โดยเราร อ, อกันอยู่ที่นี่เชื่อว่าจักรราชคงจะส่งกองทหารและพาหนะมารับเราเอง อนุชาบอกมาอย่างเต็มไปด้วยความหวังแล้วก้าวออกนาหน้าไปทันทีเคียงคู่กับนานอินทุกคนพากันเดินตัดลงทุ่งหญ้าอันสลับไปกับป่าละเมาะที่เห็นอยู่ายหน้าเขาหาเนินเตี้ยที่เห็นอยู่ไม่ไกลอย่างกระปรี้กระเปร่าระหว่างที่พากันเดินตัดถนนลงสู่ทุ่งหญ้าสลับกับป่าละเมานั้น เชิดายกนาฬิกาข้อมือขึ้นสำรวจในทันทีแล้วสะกิดแขนน้องสาวยื่นนาฬิกาเดินป่าที่ติดอยู่กับข้อมือไปให้ดูเราอยู่ในดินแดนของแง่ส า, ายแน่นอนแล้วน้อยทุกอย่างเหมือนกับที่เราได้ผ่านมาในครั้งก่อนไม่มีผิดนาฬิกาหยุดเดินเข็มทิศไม่ยอมทำงานอีกแล้วมันพิสูจน์ได้ชัดเจนเหลือเกินดารินตาเป็นประกายเจิดจรัสมันดูเหมือนจะเป็นความตื่นเต้นปิติสูงสุด ครั้งแรกนับตั้งแต่ออกเดินทางมาหล่อนตรวจนาฬิกาข้อมือของหล่อนบ้างซึ่งมันก็เป็นผลตรงกันกันกบของพี่ชายทุกอย่างเข็ม <veux S 1> วินาทีหยุดกระดิกเข็มทิศที่ติดอยู่ในเรือนเดียวกันและเข็มทิศเดินป่าที่แยกต่างหาออกไปซึ่งหลอนควักออกมาจากกระเป๋าเข็มขัดขณะนี้มีสภาพเหมือนเข็มจะถูกล็อก ไม่ว่าจะหมุนทิศทางอย่างใดปลายเข็มเหนือที่แต้มสัญญาณไว้ก็ไม่หมุนกระเดกอีกเลยราชสกุลสาวตะโกนบอกพี่ชายกลางและชายยันให้ตรวจสอบนาฬิกาและเข็มทิศประจำตัวด้วยทั้งสองซึ่งเดินเคียงคู่กันไปเบื้องหน้าต่างก้มลงมองนาฬิกาแล้วหันมายิ้มให้ชูมือเป็นสัญญาณตัววีอันแสดงถึงโชคชยัยกลับมาให้เห็นไม่ผิดพลาดตำแหน่งแน่นอนที่นี่ คือมรกรนครวาาและพวกลิงดำนำเรามาส่งได้ถูกต้องแล้วไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกเลยเสียงอนุชาร้องออกมาทดสอบวิทยุมือถือซิกกลางยังใช้การได้อยู่อีกหรือเปล่ามันไม่ควรจะใช้ได้ถ้าหากที่เรายืนยันกันนี้คืออาณาจักรมรกรนครจริงอนุชาตอบในทันทีพร้อมกันก็ปลดวิทยุจากเข็มขัดขึ้นมา กดคีย์ทดสอบส่งเสียงพูดลงไปเบาๆเงียบสนิทไม่ผิดอะไรกับกรดไฟเบอร์หรือกรดพลาสติกธรรมดาอันหนึ่งเท่านั้นไม่มีเสียงออกอากาศไปเข้าเครื่องใดที่เปิดเตรียมรับฟังอยู่ในขณะนี้เลยและสัญญาณอันเป็นลักษณะไข่ปลาอันแสดงระดับของสมรรถภาพการรับส่งก็ไม่ปรากฏให้เห็นแสงไฟบนหน้าปัดก็ไม่สว่าง แม้จะกดปุ่มสวิตซ์ลักษณะของมันก็คือแบตเตอรี่หยุดการทำงานอย่างสนิทกลุ่มพี่ๆและเพื่อนชายร้องบอกกันด้วยความดีใจไม่มีใครแสดงอาการวิตกห่วงใยในเรื่องที่นาฬิกาไม่เดินเข็มทิศและวิทยุไม่ทำงานเลยตรงข้ามกลับเป็นความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งในปรากฏการอันเป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างเด่นชัดถึงผลสาเร็จครั้งนี้ ดารินพนมมือขึ้นบนทรงอกพืมพำกราบขอบพระคุณมหาฤุษีโกธั ญ, ญะขอบคุณต่อเทพยดาฟ้าดินและทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เมตตาต่อลูกในครั้งนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยังเกื้อนหนุนจุนเจือความมานะพยายามของลูกอยู่ทั้งทั้งที่แต่เริ่มแรกนั้นมันมืดมนอันตรธานไปหมดมองไม่เห็นความหวังสิ่งใดเลย แล้วหล่อนก็คว้ามือของพี่ชายใหญ่ที่เดินเคียงอยู่ข้างๆออกเร่งฝีเท้าเกือบจะเป็นวิ่งเหาะตามหลังไปจนทันอนุชาและชัยยันผู้เดินอย่างรีบรุษอยู่เบื้องหน้าพรางร้องเร่งพวกลูกหาบให้พากันกระชั้นชิดเข้ามาสำหรับนานอินและขยินนั้นนำพรวดพรวดไปเบื้องหน้าอย่างแข็งขันเต็มด้วยกำลังใจ ทุกคนเห็นทั้งคู่ก้มลงมองตามพื้นดินที่ผ่านไปแล้วหนานอินก็ตะโกนบอกมาว่ามีรอยเท้าวัวควายเดินเปรอะอยู่แถบนี้ด้วยนายเราใกล้หมู่บ้านคนเข้าไปแล้วแถวนี้ต้องมีหมู่บ้านแน่เมื่อทั้งหมดตามเข้ามาถึงบริเวณนั้นก็ปรากฏเป็นจริงอย่างที่ครูพรานเท่าบอกไว้บนพื้นดินที่ปราศจากหญ้าขึ้นหลายตหลายแห่ง มีรอยกีบเท้าของสัตว์ประเภทแพะแกะวัวควายเดินเหยียบย่ําอยู่สับสนไปหมดมันเป็นลักษณะของปศุสัตว์เลี้ยงชนิดเป็นฝูงที่ต้องผ่านทุ่งมากกว่าที่จะเป็นรอยเท้าของสัตว์ป่านอกจากนั้นยังมีรอยเท้าของม้าอีกด้วยเป็นการดีที่สุดถ้าหากเราได้พบกับชาวไร่ชาวนาหรือพวกเลี้ยงปศุสัตว์ชาวมรกรนครเสียก่อน มันจะช่วยให้การติดต่อไปถึงเมืองหลวงสะดวกสบายขึ้นอีกมากทีเดียวเชิท้าเอ่ยขึ้นขณะที่มองดูร่องรอยของชุมชนที่มนุษย์ผ่านไปมาอันเห็นชัดอยู่นั้นอย่างพยายามพิเคราะห์มังว่าพวกนั้นคงจะจำเราได้และคงต้อนรับด้วยดีนะไม่ใช่คอยดักซุ่มโจมตีด้วยอาวุธเหมือนยุคที่มากับรพินยุคนั้นใช้ ย, ยันเอ่ยแทรกมาพร้อมกับหัวรอบเบา ไม่จริงจังอะไรนะักในประโยคที่พูดนอกจากจะพูดเล่นก็ยังไม่แน่เหมือนกันอย่าเพิ่งวางใจอะไรนะักขณะนี้เราก็ไม่รู้ว่ามรากรอยู่ด้วยกันสันติสุขเหมือนเมื่อคราวเราจากไปในครั้งนั้นหรือเปล่าถ้าเกิดมีปฏิวัตริรัฐประหารเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนกษัตริย์ผู้ครองอาณาจักรใหม่ผิดไปจากจักรราชพวกเขาอาจไม่ต้อนรับเราอย่างมิตรก็ได้ เช่ถาบอกยิ้มยิ้มไม่มีทางดารินยืนยันขึ้นด้วยเสียงมั่นคงหนักแน่นความหวังของหล่อนเปลี่ยมล้นที่สุดในยามนี้จั ก, กรราชและราชวงศ์สุริยเทพของเขาจะต้องปกครองแผ่นดินนี้ตลอดไปภายหลังจากที่เราได้เข้ามาช่วยเขากอบกู้ราชบัลลังก์ไว้ในครั้งนั้นแล้วน้อยอยากจะรู้เหลือเกินว่าขณะนี้แง่ทรายหรือจั ก, กรราช พอจะระแคราคายบ้างหรืออย่างว่าเราได้เหยียบย่างเข้ามาถึงดินแดนของเขาแล้วสมกับที่เขาได้พยายามเรียกร้องน้อยอยู่ตลอดเวลาในห้วงฝันของน้อยและที่สำคัญที่สุดหลอนชะ ง, งักนิ่งไปนิดหนึ่งดวงตารีลงเสียงที่กล่าวต่อไปเบาลงเหมือนจะเป็นการรำพึงกับตนเองพระพินกับคณะของเขาได้เหยียบขึ้นถึงแผ่นดินนี้แล้วหรือยัง เขาล่วงหน้ามาถึงก่อนแล้วหรือว่ายังมาไม่ถึงตอนนี้ใครจะบอกได้บ้างกลุ่มพี่ๆทุกคนพากาันชะงักนิ่งไปความปิติยินดีที่ได้เหยียบย่างขึ้นมาถึงถนนพระศิวะทำให้ทุกคนในคณะดูเหมือนจะลืมพระพินพรายวันไปเสียชั่วขณะหนึ่งทงั้งๆที่บุรุษผู้นั้นแหละคือต้นเหตุให้ทุกคนบุกบั่นกันมาจนถึงที่นี่ บัดนี้ฝ่ายติดตามได้บรรลุถึงเป้าหมายปลายทางแล้วอย่างสวัสดิภาพภายหลังจากทุ่มเทมบากบันกันมาอย่างยอมถวายชีวิตแต่ฝ่ายที่ถูกติดตามอันเป็นที่คาดหวังว่าจะต้องบ่ายหน้ามายัางจุดหมายเดียวกันนั้นเล่าได้มาถึงแล้วหรือยังและขณะนี้อยู่ที่ไหนคําตอบคงจะมีเร็วๆนี้ละน้อยขอให้เราพบชาวไร่ชาวนาหรือชาวชนบทของมรกกเพียง แค่คนเดียวเท่านั้นเราก็จะรู้ข่าวของระเพนินทันทีพี่ชายกลางบอกมาอย่างไม่รู้สึกเป็นห่วงอะไรนักขณะที่ก้าวเท้าเดินเนิบเนิบไปเบื้องหน้าโดยไม่หยุดพร้อมกันก็บกมือเป็นสัญญาณให้ทุกคนคืบหน้าต่อไปอย่างแนวและเมะไม้ที่เห็นอยู่เบื้องหน้าพวกเราตัดทางขึ้นมาถึงถนนพระศิวะเร็วมากนะโดยการนาของวายาเชิฐาก่าวอย่างคร่ครวนเพราะฉะนั้น ก็ไม่แน่เหมือนกันว่าระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายระพินใครจะเหยียบขึ้นถนนพระศิวะก่อนกันแม้ว่าเขาจะล่วงหน้ามาก่อนเราก็ตามและการจะเริ่มต้นจากหัวถนนโดยพยายามหาทางขึ้นที่เนินพระจันทร์ไม่ใช่ของง่ายเลยถ้ามาผิดฤดูกาลแต่พวกเรานั้นมาโดยความเมตตาอนุเคราะห์ของมหาฤาษีโกธัญญะที่กําหนดไว้ให้วายาและลิงพวกนั้นมาส่ง เราก็น่าจะย่นระยะทางได้มากกว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาอะไรต้องมาขบคิดให้เปลืองสมองในขณะนี้ทั้งสิ้นอนุชาว่าขณะนี้ดูเขาจะปลอดโปร่งใจผิดไปจากทุกครั้งถ้าเราไปถึงก่อนเราก็ไปดักรอเขาอยู่ในเมืองหรือถ้าเขาถึงก่อนหน้าเราหากเราไปถึงเมืองก็ได้พบเองแหละ และมันก็ไม่น่าจะคลาดเคลื่อนวันเวลาการเหยียบถึงที่นี่ออกไปมากนะักระหว่างฝ่ายเขาและฝ่ายเราโดยคำนวณจากระยะเวลาโกรดไล่หลังกันมานามาเปรียบเทียบกับเส้นทางซึ่งมีการหักลบชดเชยกันเราจะได้พิสูจน์กันออกไปอย่างแน่นอนเสถียีในเร็วๆนี้แหละว่ารบพินผาพวกนั้นมุ่งหน้ามาที่นี่จริงอย่างที่เราคาดคะเนหรือเปล่า วันนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลอีกแล้วขอให้ทุกคนทำใจให้สบายเราสำเร็จในการออกติดตามเขาถึง 99.99% 99แล้วเหลืออีก 0.01% ก็คือการได้พบป ะ, ะเผชิญหน้ากันเท่านั้นถ้าไม่บนถนนพระศิวาสายนี้ก็ในเมืองมรดกนครอย่างใดอย่างหนึ่งดารินรอบถอนใจ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 ทั้งสองฝ่ายก็อาจได้พบเห็นตามทันกันบนถนนสายที่จะมุ่งเข้าสู่มหานาจากของจักรราชนี่แหละหรือถ้าฝ่ายของหลนซึ่งทำการเดินอย่างเร่งด่วนรีบรุดเข้าไปถึงเมืองมรกรนครแล้วพบฝ่ายของรพินไปถึงก่อนแล้วมันก็จะยิ่งวิเศษสุดแต่ถ้าฝ่ายหลนไปถึงที่นั่นเฝ้ารอคอยอยู่วันแล้ววันเล่า ฝ่ายของเขาหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวรพินเองก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นเสธีลอนจะทำอย่างไรดีในการไปกราบนำ้ำมัสการมหาฤาษีโกธัญะผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งภูเขาเนลการเพื่อขอพรจากท่านท่านก็ไม่ได้ให้ความสว่างใดๆแก่่อนหรือคณะทั้งหมดเลยว่าถึงแม้ว่ามาถึงถนนพระศิวะหรือถึงมรกร์นครแล้วจะได้พบรพินหรือไม่ ท่านเพียงแต่อำนวยชัยให้พรและชี้แนะทางสะดวกให้โดยให้วายากับไพร่พ ล, ลิงแห่งภูเขานิลาการนำตัดทาง ท, ท, ท, ท, ที่ถูกต้องและสะดวกที่สุดเพื่อมาส่งให้ถึงถนนพระศิวะเท่านั้นอยากจะได้พบเห็นผู้คนชาวประชากรของมรกนครสักคนในขณะนี้ก็ปรากฏว่า สิ่งแวดล้อมรอบตัวมันช่างเงียบเชียบเสียเหลือเกินมองไม่เห็นใครเลยสักคนนอกจากความเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างทั้งๆ ท, ที่บริเวณรอบด้านมันก็มีสัญญาณบ่งบอกให้ทราบถึงว่ามันไม่น่าจะห่างจากแหล่งชุมชนมากนะักคณะทั้ง16คนขณะนี้กำลังเดินอยู่ในทุ่งอันมีลักษณะต่ำลึกลงไปเหมือนแอ่งกระทะล้อมรอบด้าน กายเป็นขอบเนินสูงทิวทัศน์จึงไม่อาจมองเห็นไปได้ไกลนะักยกเว้นป่าละเมาสที่ต่างกําลังจะมุ่งหน้าเข้าไปซึ่งครูพรานนันอินตั้งข้อสังเกตว่าหมอกขาวบางที่เห็นลอยกลุ่นอยู่เหนือยอดไม้ลึกเข้าไปนั้นน่าจะเกิดจากควันไฟไม่ต้องห่วงนายประเดี๋ยวก็คงพบคนแล้วคงต้องพบก่อนพักข้ามวันนี้แหละเสียงแกร้องบอกออกมา พร้อมทั้งชี้มือให้ดูกลุ่มหมอกที่มีลักษณะเหมือนควันไฟนั้นน้ำบัดนั้นเองทุกคนก็ชงงะงักกึกอยู่กับที่เงี่ยโสดพร้อมกันหมดเป็นเสียงสั่มสำเนียงที่สะดับครั้งแรกอันแววเข้ามากระทบเหมือนจะอุปทานไปมันเป็นเสียงร้องของมา้าเสียงสะบัดขนคอลอยตามลมมาแต่ไกลครั้งแรกก็มีอยู่เสียงเดียว แล้วอึดใจต่อมาก็เหมือนจะดังแซ่เอื้ออึงขึ้นหลายเสียงประสานกันต่างฝ่ายต่างหันมองตางกันเองอยู่ไปมาและยังไม่ทันจะเอ่ยคำใดแก่กันนั้นก็พลันมีเสียงฝีเท้ามาในลักษณะควบขยกใกล้เคลื่อนเข้ามารอบบริเวณเนินสูงขึ้นไปเกินกว่าที่ระดับสายตาจะมองไปได้ไกลนั้นครั้งแรกมันมาจากด้านขวามือที่ดวงตะวันอ่อนแสงกาลังฉายอยู่ในขณะนั้นก่อน พ่อต่างหันไปโดยไม่ได้นัดก็สำเหนียกได้อีกว่าทางด้านซ้ายมันก็ควบสนันจนแผ่นดินสะเทินเข้ามาเช่นกันกลายเป็นบีบเข้ามาทั้งสองข้างยังมองไม่เห็นอะไรอยู่เช่นนั้นพ่อต่างอยู่ในที่ลุ่มต่ําคงเห็นแต่ผงคลีที่ลอยตลบคลุ้งขึ้นมารอบทิศ ท, ทางนายกองทัพมา้ากําลังบีบเข้ามาทั้งสองด้านเลย เสียงนั้นอินตาโกนลั่นออกมาสำหรับขยินนั้นก็ยืนเอามือป้องหูอยู่เสียงดังชัดเจนสะเทือนเลื่อนลั่นของฝีเท้ามา้านับร้อยร้อยตัวขนาดนี้ไม่จนเป็นที่จะต้องเอาหูก้มลงไปฟังกับพื้นดินให้เสียเวลาเพราะขนาดโสดประสาทธรรมดาก็สามารถจับได้ ระหว่างที่อนุชาชัยยันเชษฐาและดารินพากันยืนตัวแข็งสะกดกลั้นลมหายใจอยู่นั้นพวกลูกหาบทั้งหลายแสดงอาการตื่นตกใจหน้าเลิกเลิกกันไปหมดทิ้งของที่แบกหามอยู่ลงกับพื้นคว้าปืนลูกซองที่สะพายลอยอยู่ออกมาถือไว้แล้วพากันวิ่งเข้ามา อ, อรวมกลุ่มกับคณะของเจ้านายทุกคนสวรรค์ทรงโปรดกองกาลังทหารม้าจริงๆด้วย ดูเหมือนจะบ่ายหน้าล้อมเข้ามาทุกด้านเลยหวังว่าคงไม่ใช่กองทัพม้าของรหัสยะหรือสิงหราในยุคทรราชครองเมืองนะเสียงชั ย, ยันหลุดปากอุทานออกมาพร้อมกันก็คว้า m 7็มที่สภายอยู่บนไหลของนายชวนขึ้นมาถือไว้ในมือแต่เชษฐาดารินและอนุชายังคงยืนนิ่งเบิกตาโปรงอยู่เช่นนั้น หากันหันไปรอบๆซึ่งแลเห็นกลุ่มผงคลีลอยเป็นหมอกควันสูงขึ้นมารอบด้านตามแนวขอบเนินที่รายล้อมอยู่กองทัพม้าจริงๆนั่นแหละน้อยเสียงมันชัดเจนเหลือเกินและขณะนี้โอบล้อมรอบราไว้หมดทุกด้านแล้วเช่ดฐากระซิบกับน้องสาวแผ่วเบาดารินบัดนี้เบิกตาขมิงพยายามหันไปสารวจ ขอบเนินรอบด้านซึ่งยังมองไม่เห็นอะไรนอกจากฝุ่นตลบอบอวนหมดทุกด้านถ้าเป็นกองทัพม้าก็แปลว่าทหารและถ้าทหารก็ย่อมหมายถึงทหารของจักรราษซึ่งกำลังเคลื่อนตรงมาที่เราทั้งหมดในขณะนี้มันควรจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับพวกเรามากกว่านิมิตร้ายไม่ใช่หรือคะหลอนกระซิบตอบเอาละประเดี๋ยวก็รู้อนุชา บ, บอกเสียงหนัก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 บัรนี้ตลอดทั้งแนวเนินที่ต่างจับตารอคอยดูอยู่เงาของม้าศึกและผู้ที่บังคับขี่อยู่บนหลังของมันโผล่เป็นทิวขึ้นมาตามลำดับและหยุดยืนเรียงรายอยู่บนนั้นสะพรึบพร้อมตลอดแนวอันกว้างใหญ่ยาวเยียดนับจำนวนไม่ถ้วนแสงตะวันสองกระทบปลายหอกสั้นที่ถือชูอยู่ในมือเป็นประกายวูบวาบวาวระยับไปหมด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 ทุกคนหันขวับไปทางด้านตรงข้ามสภาพเดียวกันกันกบที่เห็นทางด้านตะวันออกไม่ผิดกันไปเลยกองทหารม้าแห่งมรกนครโผล่ขึ้นมายังอีกด้านหนึ่งเต็มขอบเนินทางด้านตะวันตกกินแนวอนาบริเวณรอบด้านแทบจะเรียกได้ว่าล้อมไว้เกือบจะเป็นวงกลมคงเหลือพื้นที่ว่างไว้เฉพาะด้านหน้าใกล้ๆอันเป็นบริเวณป่าละเมะเท่านั้น ทุกคนเฉยไว้ขอให้อยู่ในอาการสงบอนุชาร้องบอกต่ำไปยังพักพวกทั้งหมดพร้อมกันตัวเองก็ก้าวช้าๆแยกออกจากกลุ่มที่เข้ามายืนอ ร, รวมกันอยู่ไปปรากฏกายโดดเด่นอยู่เบื้องหน้าพลางกระตุกผ้า พ, พันคอออกมาผูกติดกับส่วนปลายของลำกล้องโอบใหญ่ของ M79 แล้วยกฉูขึ้นโบกไปมาช้าๆ อาการของเขาเป็นการแสดงความทักทายเยี่ยงมิตรกับกองทหารที่โผล่ออกมาให้เห็นเหล่านั้นและเมื่อนั้นเองดารินเชิฐาและชยันก็ก้าวออกไปยืนเคียงข้างต่างโบกมืออยู่ไปมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดารินหล่อนป้องปากตะโกนสุดเสียงโดยไม่คํานึงถึงว่ากระแสะเสียงของหล่อนจะได้ยินไปถึงกองทหารเหล่านั้นหรือไม่ แงซทรายเสียงของราชสกุลสาวก้องกังวานไปไกลท่ามกลางความเงียบที่เกิดขึ้นชั่วขณะนั้นขณะหนึ่งต่อมาทุกคนก็มองเห็นม้าศึกนับจำนวนได้เจ็ดมา้าจากกลุ่มที่ยืนเรียงรายแน่นขนาดอยู่บนเนินด้านตะวันออกควบเหยาะลงมาจากเนินตรงเข้ามาทันที ในขณะที่ม้าอื่นๆยังคงยืนสงบนิ่งรายล้อมรอบอยู่เช่นนั้นทั้งเจ็ดม้าด่าหน้าเข้ามาในรูปแถวหน้ากระดานควบใกล้เข้ามาตามลาดับในอาการที่ไม่ได้ห่อตเบึงเร่งด่วนอะไรนะักใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาทุกขณะโดยปล่อยให้กองทัพที่โอเป็นปีกไว้ทั้งสองด้านสงบนิ่งยืนเฉย อ, อยู่ในอาการเดิม มีแต่เพียงปลายหอกสั้นที่ถืออยู่ในมือเท่านั้นที่ยกชูขึ้นสูงแน่วนิ่งราวกับภาพปั้นทั้งเจ็ดม้าชลอฝีเท้าที่ควบเข้ามาให้ช้าลงตามลำดับเมื่อเหลือระยะอีกประมาณ30เมตรจะถึงตัวบัดนี้ต่างฝ่ายต่างมองเห็นกันได้ถนัดตาที่สุดแล้วท่ามกลางแสงสว่างของยามบ่ายมา้าดำสนิทพ่วงพีสูงใหญ่ที่ควบอยู่ตรงกลาง ผู้ขับขี่อยู่บนหลังอยู่ในชุดเกราะทองคําอารามเรืองวาววักเรือนร่างเรลืระหงเส้นผมดำสนิทราวกับขนกาน้ำปลิวกระจายเล่นลมไปทางเบื้องหลังตัดกับผู้สาคลุมไหล่สีแดงซึ่งโบกสะบัดส่วนอีห6ม้าที่ขนาบข้างด้านละสาม้าโดยควบตามเบื้องหลังไปเล็กน้อยนั้นอยู่ในชุดของนายทหารระดับขุนศึกสวมเกราะเงินท่า ป, ปิดทรงอก ดารินจ้องตะลึงหล่อนจำได้ก่อนใครอื่นทั้งสิ้นวิ่งสวนออกไปในทันทีเมื่อม้าที่นำหน้ามานั้นเคลื่อนใกล้เข้ามาในระยะอีกเพียง10บเมตรจะถึงตัวร้องตะโกนและล่ำล ะ, ละลักอย่างยินดีขีดสุดเมยานีเมยานีร่างในชุดเกราะทองคำอันปรากฏชัดว่าเป็นสตรีสาววงพักลัคนาปานภาพวาดทั้งหวานทั้งคมกริบ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 เมยานีปราบปลื้มปิติใจนักที่ได้เห็นนายหญิงกลับคืนมาอีกครั้งสตรีสาวในชุดอุ ป, ปราชแห่งมรกรนครทะคนแหลมกล้องขึ้นเช่นเดียวกันนางได้กอดรั้งเอาร่างของดารินเท้าหลุดลอยจากพื้นและพา ว, วี่งไปหลายรอบและจึงวางลงตรงหน้าพร้อมทั้งริมฝีปากอันพรายจรัดไปด้วยรอยยิ้มเบิกบานเหมือนแสงตะวันยามเช้าต่างฝ่ายต่างกระหืดกระหอบ จับแขนกันแน่นจ้องหน้าซึ่งกันและกันแล้วก็โผลเข้ากอดกันไว้แน่นอีกครั้งเชษฐาชัยยันอนุชาบัตรน้ตลึงเงนินทุกคนพากันจ้องขมเงไปที่ภาพอันแสดงความสุดแสนจะตื่นเต้นยินดีของทั้งสองสาวแล้วครางออกมาพร้อมกันเมยานีจริงๆด้วยราชินีแห่งมรกรกนครอีกหกคนของบุรุษ ที่ขี่ม้าตามมาด้วยขณะนี้ก้าวลงจากหลังม้าพร้อมกันหมดอย่างสุภาพแสดงอาการคาระวะอย่างสูงสุดยืนแยกปลายเท้าทั้งสองออกจากกันและกอดอกระวังตรงนิ่งอดีตที่ดาสาวแห่งหัวหน้าขบวนการกู้ชาติในอดีตหรือราชนีแห่งมรกรนครในปัจจุบันยังไม่ยอมที่จะปล่อยตัวดารินโดยง่าย นางได้จุมพิตแก้มทั้งสองของนายหญิงอย่างเร็วและแรงหนักน่วงซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมกับเสียงสวนสรรสำแดงความสมนัสขีดสุดที่ได้พบบุคคลที่นางแสนรักและได้ให้ความเคารพเสมอพี่สาวของนางเองดารินนั้นขณะนี้ก็ดีใจจนลืมตัวไปหมดกระโดดโลดเต้นจับเนื้อจับตัวเมยานีอยู่เช่นนั้นน้ำตาซึมคลอเบ้าด้วยความปิติตื่นตันเหลือที่จะกล่าว ทั้งสองฝ่ายส่งเสียงทักทายกันจนฟังไม่ได้สับและต่างฝ่ายต่างก็ยังไม่อาจพูดตอบโต้คําถามซึ่งกันและกันได้ตรงคําถามนักขณะต่อมาท่ามกลางความยืนตะลึงสงบนิ่งของคนอื่นๆทุกคนเมยานีก็จูงมือของดารินเดินตรงเข้ามายังเบื้องหน้าของเชษฐาอนุชาชัยยันซึ่งพากันยืนนิ่งทําอะไรไม่ถูกอยู่ วงหน้าอัน ง, งดงามเฉียบขาดของนางแจ่มกระจ่างไปด้วยรอยยิ้มขณะที่มองอย่างมิตรซึ่งมีความรักสนิทผูกพันทางจิตอยู่อย่างลึกซึ้งมาก่อนในอดีตไปยังบุคคลเหล่านั้นมือยังไม่ปล่อยข้อมือของดารินแต่ได้ก้มศรีรษะแสดงอาการคาระวะไปยังแช่ทาอนุชาและชัยยันพร้อมกับเอ่ยขึ้นด้วยเสียงกังวานใสว่าในพระนามแห่งจักรราชและชาวมรกกนครทุกคน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 ทุกสิ่งทุกอย่างเชษฐาชายยันและอนุชาพากาันยิ้มตอบแต่ก็ให้รู้สึกอึกอักอย่างไรบอกไม่ถูกแล้วทั้งสามก็น้อมกายลงถวายคำนับช้าช้าเชษฐาเอ่ยก็ด้วยอาการสำรวมว่าพวกเราต่างรู้สึกปราบปลื้มยินดีเป็นล้นพ้นที่ได้มาเฝ้าอยู่แทบเบื้องพระบาทของราชินีแห่งมรกรนครอีกครั้ง ไม่คิดมาก่อนเลยว่าพระองค์จะเสด็จมาเองเช่นนี้ขอถวายคาระวะนางเอาหัดปิดโอดย่ำสูนเบาๆเนรทั้งคู่เป็นประกายแล้วเอ่ยขึ้นปนสวนร่าเริงว่าพี่ใหญ่พี่กลางพี่ชัยยันขอได้โปรดพูดกับเมยานีเหมือนเดิมเถิดเมยานีเป็นราชนีแห่งมรดกนครแต่ก็เป็นน้องสาวของพวกพี่ๆทุกคนความจริงแล้ว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 ผู้ยืนตัวแข็งอยู่ข้างๆถูกนางคว้าข้อมือไว้หัวเราะด้วยและเจ้าขยินเราไม่เคยลืมเลยว่าฝีดาบของเจ้าน่ะเยี่ยมยอดขนาดไหนเจ้าเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์พักดีน่าสรรเสริญมากที่มากับคณะของนายหญิงอีกครั้งขยินยิ้มกระเรียกกระราดอึกอกักตอบอย่างไรไม่ถูกเมยานีคงยิ้มพรายอยู่เช่นนั้น เดินผ่านไปทางกลุ่มลูกหาบทั้งสิบคนที่ยืนออกันอยู่ในลักษณะยังไม่สางตะลึงงงต่อเหตุการณ์ส่วนพวกเจ้าทุกคนที่มากับเจ้านายเราขอชมเชยว่าล้วนมีความซื่อสัตย์กล้าหาญชาญชัยกันทั้งสิ้นพวกเจ้าจะได้รับการต้อนรับอย่างดีที่สุดในมรกรณนครแห่งนี้เสมอญาติเสมอมิตรนชยชนและลูกหาบทั้งหมด คงอ้าปากค้างอยู่เช่นนั้นรู้สึกสั่นประมาไม่มีใครกล้าพอที่จะปรี้ปากออกมาเช่นไรนอกจากยิ้มแห้งๆและพา ก, กันตะลึงมองโฉมอันสกรานสง่างามของเมยานีเหมือนจะถูกสะกดกันไปหมดนางได้เดินตรวจคณะลูกหาบและทักทายไปจนทั่วทุกคนแล้ว ก, ก็หันมาทางนายทหาระหาระดับขุนทัพที่ยืนเรียงรายระวังตรงอยู่เบื้องหลัง พร้อมท้งออกเสียงบรรชาว่าสุกรียุสทิตวิกรมออกมาแสดงความคาราวะต่อเจ้านายเก่าของพวกเราเดี๋ยวนี้สามนายทหารใหญ่ไหว้กายพรึบแล้วก้าวล้ำหน้าออกมาพร้อมด้วยใบหน้าอันยิ้มแยม้มตรงเข้ามาก้มศรีรษะคำนับกลุ่มของเชษฐาเรียงตัวไปตามลำดับทั้งหมดเพิ่งจะมีเวลาได้สังเกตเห็นและจาได้เอาเดี๋ยวนี้เพราะเคยรู้จักคุ้นหน้ามาก่อนทั้งสิ้น คนเหล่านี้ได้เคยร่วมทำศึกกับรหัสยะและสิงหราเมื่อคราวสงครามกู้ราชบัลลังก์ในครั้งนั้นเชษฐาชยยันและอนุชาต่างกลาเข้ามาจับแขนทักทายคุณศึกทั้งสามโดยทั่วหน้าอย่างดีใจและสนิทสนมยิ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นปิติสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะฝ่ายเจ้าของแผ่นดินหรือฝ่ายของอาคันตุกะ ผู้เดินทางมาจากแดนไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งชัยยันถึงกับโดดเข้ากอดคอสุกรีซึ่งอดีตก็คือหัวหน้าหน่วยรถ ก, กองโจรอันทำการต่อต้านกับฝ่ายของกษัตริย์สิงหราและร่วมทำศึกกับคณะของพวกเขามาโดยตลอดอย่างแทบเอาชีวิตไม่รอดทั้งสามีสีหน้าพลายไปด้วยรอยยิ้มและตอบรับการกล่าวปราศัยทักทายด้วยอาการอันคาระวะอ่อนน้อมเหมือนเดิม พวกเราชาวมรกนครทั้งหมดปราบปลื้มยินดีที่สุดที่ได้เห็นพวกท่านในแผ่นดินของเราอีกสุกรีเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกพร้อมกับอาการหัวเราะเบาๆขณะที่มองกวาดไปยังคณะของอาคารตุกะต่างแดนทั้งหมดเหมือนจะสำรวจทั่วทุกคนไปยังไงมายังไงกันนี่พวกเราพอผล้ขึ้นมาบนถนนพระศิวะได้สาเร็จ กำลังจะมองหาชาวมรดกนครสักคนที่อยู่ในละแวกนี้ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าม้าของพวกท่านแล้วก็เห็นกองทัมพม้าโผล่ออกมาล้อมไว้แทบรอบด้านเชษฐาถามมาโดยเร็วสามขุนทัพพากันยิ้มยิ้มอยู่ในสีหน้าไม่มีใครตอบคำใดในขณะนั้นแต่ปลายหางตาไปทางนางพยาเมยานีผู้ขณะนี้กำลังยืนย้มสวนร่าเริงและพูดอะไรกันอยู่กับดาริน ฟังไม่ได้สับอยู่เมื่ออนุชาร้องเรียกไปทางดารินเมื่อนั้นน้องสาวคนเล็กจิงจูงมือราชินีแห่งมรกรนครพาเดินเข้ามาหาดีใจซะจนต่างฝ่ายต่างพูดอะไรกันไม่รู้เรื่องแล้วคะ่ะพี่ใหญ่ดารินเอ่ยขึ้นปนหัวเราะหอบๆ ห, หน้าแดงกาทางด้านนี้ก็เหมือนกันเรายังไม่สามารถที่จะถามอะไรสุกรียุสทิต รูดวิครมได้เลยคือถามแล้วเขาทั้งสามก็ได้แค่ยิ้มแต่ไม่ยอมตอบอะไรพี่ชายใหญ่ของคณะเอ๋ยขึ้นด้วยอาการหัวเราะเช่นกันขอให้ฝ่ายของเมยานีถามก่อนได้ไหมนายใหญ่ราชินีผู้เลอทั้งโฉมเลิศทั้งฝีมือรบแห่งมรกตนครเอ๋ยขึ้นด้วยเสียงใสจงเรียกพี่ว่าพี่ใหญ่ ถ้าเธอต้องการให้พี่มีความรู้สึกสนิทใจยอยู่เหมือนเดิมอันหมายถึงมรกรนครต้อนรับพวกของพี่อย่างเดิมด้วยนางแงนพักขึ้นสวนสะบัดเส้นเกษาแล้วเอ่ยต่อมาว่าค่ะพี่ใหญ่ขอให้เมยานีถามก่อนได้ไหมคะสั้นๆไม่กี่คำถามเท่านั้นได้เธอจะถามอะไรบ้างละ่ะเชิฐทากล่าวยิ้มยิ้มน้เสียงอ่อนโยนสุภาพ พวกพี่ใหญ่มากันทั้งหมด16คนเท่าที่เห็นอยู่นี่อยู่กันครบทุนไหมคะก็มากันแค่นี้แหละและครบทุนหมดทุกคนไม่มีใครล้มหายตายจากบุกบัน่นฟันฝ่ากันมาอย่างไม่มีความหวังอะไรทั้งสิน้นจนกระทั่งในที่สุดก็ได้รับความเมตตาจากมหาฤาษีโกทัญยะและไมตรีจิตของวายากับไพรพ ล, ลิงของเขาช่วยนำพวกพี่มาส่งจนถึงแดนของเมยานนี่แหละ ท่านหัวหน้าคณะสรุปให้ฟังสั้นๆเหมือนจะรู้ว่าอีกฝ่ายอยากจะถามเช่นไรแล้วเลิกคิ้วขึ้นเหมือนจะเตือนให้ถามต่อถ้ายังอยากจะทราบอะไรอีกทุกคนสูบซีด่ายพร้อมและดูจะอิดโรยหนักกันเหลือเกินนางเอ๋ยเหมือนจะเปรยมองสำรวจไปยังแต่ละบุคคล แต่ก็ยังสง่างามสมชาตินักสู้ผู้ที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยก็คือลุงอินและขยินส่วนนายหญิงดวงตามีประกายเศร้าลึกเปลี่ยนไปด้วยทุกข์กังวลสาหัสนักแม้จะยิ้มหรือหัวเราะอยู่กับเมยานีในขณะนี้ก็าตามสำหรับพี่ใหญ่ยังหนักแน่นเยือกเย็นอยู่เหมือนเดิมพี่กลางเคร่งขรึมกว่าสมัยที่ตกเป็นนักโทษของสิงหราเสียอีกพี่ชัยยัน เมยานีเอ่ยถึงเป็นคนสุดท้ายพร้อมกับหันไปสบตาพรางถามขึ้นด้วยอาการซ่อนยิ้มว่ามาในครั้งนี้เอานายแหม่มไปไว้เสียที่ไหนพี่สาวที่มีผมสีทองของเมยานีไม่ได้มาด้วยหรอกหรือชายันหัวเราะเบาๆพี่สาวผมสีทองของเมยานีขณะนี้กําลังเป็นแม่ของเด็กเล็กๆไม่ได้มาด้วยหรอกถ้าไม่ติดขัดเรื่องคลอดลูกก็คงจะมาด้วยแล้ว เนตงามคู่นั้นเบิกโตขึ้นริมโอดเผยเยอะกว้างโอสิวเทพใช่แล้วเธอตั้งครรนอ่อนๆขณะที่เดินทางออกจากมรกรนครไปผู้หญิงหรือผู้ชายคะลูกของพี่ชัยยันผู้ชายสมบูรณ์น่ารักดีมากเห็นเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นก็ออกเดินทางมานี่เลยสุขภาพของเด็กและแม่สมบูรณ์ดี มาเรียเป็นคนสั่งให้พี่ออกเดินทางมากับพวกเราในครั้งนี้ทั้งๆ ท, ที่พวกเราทั้งหมดก็พยายามคัดค้านไม่ให้พี่มาด้วยแต่พี่ต้องมาถูกต้องพี่ต้องมาเพราะพี่เป็นคนไม่ทิ้งเพื่อนนางกล่าวเสียงหนักๆในลำคอเอาละเห็นจะหมดคำถามสำหรับเมยานีแค่นี้ก่อนคราวนี้ทางฝ่ายท่านผู้ย้อนกลับมาเยือน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 ในครั้งแรกเสียอีกเมยานีต่อไปนี้เป็นคำถามของฝ่ายเราบ้างละ่ะอนุชาวรารทธ์เอ่ยขึ้นพร้อมกับเอื้อมมือมีอาการเหมือนจะแตะต้นแขนของนางซึ่งขณะนี้ยืนหันหลังให้แต่ดารินผู้ยืนอยู่ใกล้รีบยกมือขึ้นกันฝ่ามือของพี่ชายกลางไว้เสียก่อนพร้อมกับบอกต่ํต่ำเชิงเตือนว่า อย่าแต่ต้องวรากายของราชนีแห่งมรกฏนครค่ะพี่กลางพี่เป็นผู้ชายโอ้ขอโทษเผลอไปจริงๆอนุชาอุทานออกมาอย่างรู้สึกตัวเมยานีหันกลับมาอมยิ้มและเป็นฝ่ายคว้าเอาข้อมือของอดีตพรานชดมากุมไว้อย่างสนิทสนมไม่มีจารีตประเพณีอะไรสำหรับพวกพี่ๆทั้งหมดค่ะและถ้าแม้จักรราช ประทับอยู่ที่นี่ณบัดนี้พระองค์ก็คงจะรับสั่งเช่นนี้เช่นกันเมยานีกำลังรอฟังคำถามอยู่อนุชาชี้มือไปทางกองทหารม้าที่กำลังเคลื่อนตรงเข้ามาโดยรอบเหล่านั้นแทนคำถามประโยคแรกนางสวนน้อยนอยนั่นคือกองพลทหารม้ารักษาพระองค์ของจักรราชที่มีเ ม, มยานีเป็นผู้บังคับบัญชา รับองค์การประกาศิิธิ์ของพระองค์ให้มาคอยต้อนรับคณะอาคันตุกะผู้เคยมีพระคุณเพื่อเชิญเข้าสู่มหานครแปลว่าจักรราชขณะนี้ทรงทราบแล้วว่าพวกเราได้เหยียบเข้ามาถึงดินแดนนี้อดีตพรานชดถามต่อมาโดยเร็ ว, รวขมวดคิ้วไม่มีอะไรที่จักรราชจะไม่ทรงทราบเกี่ยวกับการเดินทางมาของพวกท่านทั้งหลาย แล้วขณะนี้จักรราประทับอยู่ที่ไหนเชษฐาชายยาันและดารินถามขึ้นพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่ได้เสด็จมาด้วยนางซ่อนยิ้มตอบไม่ตรงคำถามเนีซาอยู่ที่ไหนเมยานีดารินจ้องหน้าขมิงเน้นเสียงถามช้าช้าอย่างคาดคันใบหน้านั้นวางเฉยแต่ดวงตามีรอยยิ้มยิ้มตอบว่าเมื่อถึงพระนครแล้ว จะได้เห็นเองว่าแง้ทายอยู่ที่ไหนและกำลังทำอะไรอยู่ทุกคนอึง้งงวนงงในคำตอบนั้นอนุชาขยับปากแต่เชิดายกมือขึ้นห้ามไม่ต้องคาดคั้นเมยานีบอกกับเราไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าบางคำถามเราอาจยังไม่ได้รับคำตอบในทันทีเพราะเป็นคำตอบที่ขอสงวนไว้ก่อน เมญานีหันมาก้มเยษให้นิดหนึ่งพี่ใหญ่เข้าใจได้ถูกต้องแล้วค่ะดารินเอียงคอมองดูราชนีแห่งมรดกนครแล้วยกมือขึ้นลูบเข้าหากันเบาๆพรางเอ่ยขึ้นว่าฉันตั้งคำถามเธอเองดีกว่ากระมังแม่สาวน้อยเมยานีหัวเราะ อ, อย่างรู้ทันก้าวถอยออกไปหนึ่งก้าวก็เหมือนกันแหละนายหญิงถ้าเมยานีตอบได้ก็จะตอบ แสิ่งใดที่จักรราชทรงให้สงวนไว้ก่อนต่อให้นายหญิงเค้นคอเมยานีให้ตายเมยานีก็ยังตอบไม่ได้เดี๋ยวนี้เธอกําลังจะทําให้ฉันต้องเค้นคอเธอจริงๆนะนี่นายหญิงเค้นคอเมยาณีก็เห็นจะต้องยอมแต่ถ้าขัดองค์การประกาศสิทธิของจอมกษัตริย์ผู้เป็นเจ้าชีวิตโทษของเมยาณีอาจถึงขั้นศีรษะขาดคําตอบนั้นมีแววสัพยอก ล้อเลียนแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงละยะว่าอะไรบ้างที่เธอได้รับอนุญาตให้ตอบหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ตอบคนยิ่งกำลังร้อนใจอยู่แล้วที่เดินมาจนถึงนี่นะ่ะแสนเหนื่อยนะจะบอกให้ดารินร้องออกมาอย่างถอนฉิวพี่สาวอย่ากโกรธเมยานีสิคะเสียงของนางออดอ่อยทำหน้าม้อยแต่ยังยิ้มอยู่ เชษฐารีบดึงตัวน้องสาวให้พระห่างเมยานีออกมาโดยเร็วตนเองก้าวเข้าไปยืนประจันหน้าอยู่แทนที่เมยานีพี่รู้ว่าอะไรที่เธอจะพอจะตอบได้เดี๋ยวนี้และอะไรที่เธออยากจะให้เราได้เห็นเองเอาละให้พี่ถามดีกว่าว่าเจ้าส่างปาคนของเราที่จักรราชรทรงของไว้ให้อยู่ที่นี่ยังอยู่ดีหรือเข้าเป็นอย่างไรบ้างสางปายังอยู่ปกติสุขดีค่ะ เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นแพทย์หลวงประจำราชสำนักและจักรราษทรงให้ความเมตตาปราณีเลี้ยงดูใกล้ชิดตลอดสมกับที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับนายแม่มมาเรียทุกประการเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่ไหนไม่ได้มากับกองทหารนี่ด้วยหรือพี่ใหญ่ของคณะถามมาเรียเรียบในลักษณะชนคุยมากกว่าที่จะตั้งใจคาดคันอะไร ในขณะที่ทุกคนของฝ่ายเขารวมทั้งดารินกำลังตั้งใจฟังคำตอบต่ออยู่ส่างปาไม่ได้มาด้วยกับกองทหารนี้เขาอยู่ในราชสำนักกำลังรอคอยพวกท่านทุกคนอยู่ส่างปารู้ด้วยหรือว่าพวกเราจะมาถึงในบรรดาเหล่าราชมนตรีชั้นสูงของมรกรกนครไม่ว่าจะฝ่ายทหารหรือฝ่ายพลเรือน ล่วงรู้กันหมดสิ้นแล้วถึงกำหนดวันเวลาที่พวกท่านทั้งหลายจะเหยียบเข้าถึงดินแดนนี้และเตรียมฉลองต้อนรับอยู่เชษฐาพยักหน้าช้ า, ชามรกรกนครรู้ได้อย่างไรว่าพวกเราจะมาถึงที่นี่ข้อนี้เอาไว้ถามจักรราศเองดีกว่าเมื่อพวกท่านได้พบกับพระองค์แล้วแล้วรู้ด้วยหรือเปล่าว่าพวกเรามาที่นี่เพราะอะไรนางยิ้มน้อยๆ อ, อีกครั้ง ปลายหางตาไปทางดารินผู้จองขม็งรอคำตอบอยู่ถึงจะรู้ก็มีประกาศสิทธิ์มาว่าไม่ให้พวกเราคนใดเอ่ยถึงในเวลานี้ท่านหัวหน้าคณะพยักหน้าอีกครั้งยิ้มออกมาอย่างเท่าทันทำให้นางพลอยก้านหัวเราะบรรยากาศณที่นั้นกลายเป็นความแจ่มใสและเปลี่ยนไปด้วยความหวังอีกครั้งมีอากาศยานโลหะของชาวโลกภายนอกอยู่ลาหนึ่งมาอับปาง ตกลนอยู่ในอาณาจักรของมรกรนครบ้างไหมเชษฐาถามต่อไปอย่างไม่เคร่งเครียดจริงจังอะไรนะักเมียานีนิง่งพยายามวางหน้าเฉยสนิททุกสายตาของอาคาันตุกะจากแดนไกลขณะนี้จ้องของมิงมาที่นางเป็นตาเดียวขณะนั้นกองทัพมาทั้งหมดก็เคลื่อนพลกันลงมาถึงและชุมนุมรายล้อมรอบอยู่เต็มท้องทุ่งไปหมด แปรขบวนเป็นรูปแถวกองเกียติยศอย่างงดงามพร้อมกับชูปลายหอกตั้งตรงขึ้นไปบนอากาศสแสดงอาการคาระวะสะพรึกพร้อมเสียงโห่ร้องต้อนรับดังกระหึ่มกึกก้องขึ้นสามครั้งแล้วก็เงียบกริบลงในทันทีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในภาวะดุษณีภาพเหมือนเดิมกองกําลังทหารม้าจํานวนมากเหล่านั้นหลังจากโห่ร้องแสดงความเคารพและต้อนรับแล้ว ก็ยังคงรักษาแถวเป็นรูปหมวดหมู่ห้อมล้อมสพรึกพร้อมเต็มท้องทุ่งอยู่เช่นนั้นอย่างเป็นระเบียบไม่ได้ลงจากหลังม้าอย่างใดทั้งสิ้นเหมือนจะตะเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายออกเดินทางต่อไปได้ทันทีจากการสังเกตของฝ่ายอาคนตุ ก, กะจากแดนไกลมองไม่เห็นว่าทหารทั้งหมดจะหยุดพักพอยู่ณตำแหน่งนี้ใดๆทั้งสิ้นในเวลาเดียวกันก็มีทหารอีกหมู่หนึ่ง นำม้าซึ่งมีหลังอานอันว่างเปล่าประจากคนขี่ติดเครื่องพร้อมรวมทั้งม้าต่างสำหรับเตรียมบรรทุกของต้อนออกมาชุมนุมเป็นกลุ่มอยู่กลางบริเวณเบื้องหน้าของคณะเดินทางทั้งหมดและหยุดรอคอยทีอยู่ยุสถิตวิกรมและพราหุ พระจากตำแหน่งที่ยืนอยู่ตรงเข้าไปตรวจดูม้าที่ถูกนําออกมารอคอยเหล่านั้นเหมือนจะตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยพร้อมเพรียงในบรรดากลุ่มทหารที่เข้ามายืนมา้ารายล้อมอยู่ใกล้ชิดคณะของเชษฐาเหล่านั้นมีอยู่เป็นจำนวนมากคนที่ทั้งเคยคุ้นหน้าและเคยสนิทสนมกับคณะอาคารตุ ก, กะจากแดนไกลามาก่อนซึ่งฝ่ายเชษฐาก็จาหน้าได้ดีพวกนั้น ต่างพาการส่งยิ้มมาให้แต่ก็ยังอยู่ในอาการอันสงบสํารวมอย่างเต็มไปด้วยระเบียบวินยัยแม้ว่าฝ่ายเชิดถาจะโบกมือร้องทักทายเรียกนามออกไปเช่นไรพวกแม่ทัพนายกองเหล่านั้นก็ไม่อาจพอที่จะแสดงอาการทักทายตอบโต้อย่างใดได้ในขณะนี้นอกจากสีหน้าและแววตาซึ่งแสดงความต้อนรับอย่างยินดีและอาการคอมศียะลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทางฝ่ายของเชษฐาก็มีแต่เพียงขยินคนเดียวที่ไม่เพียงแต่กระโดดโลดเต้นโบกมือทักกับทหารพวกนั้นยังตะโกนอยู่โวกเวกลั่นไปหมดจนหนานอินต้องทุบหลังมันไว้แล้วกระซิบบอกให้อยู่ในอาการสำรวมเมื่อนั้นเจ้ากระเรียงหล่มช้างจึงยิ้มแห้งๆค่อยสงบนิ่ง opening, เสียงวอยวายอย่างดีใจของมันเองนางพญาแห่งมรกฎนครค่อยๆหันกลับมาเผชิญหน้ากับเชษฐาอีกครั้ง มีกระแสรับสั่งจากองค์จกักรราชกําชั้พวกเรามาว่าในทันทีที่ได้พบกับคณะของพวกท่านให้เชิญเดินทางเข้าสู่มหานครอย่างเร่งด่วนโดยมิชักช้าและบัดนี้ทางฝ่ายกองทัพม้าที่มาดักรอรับอยู่ก็แต่เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้พร้อมแล้วเวลาก็ยังเหลืออยู่อีกนานกว่าตะวันจะรับขอบ ข, อบขุนเขาในพระนามของจักรราช ข้าขอเชิญทุกท่านขึ้นหลังม้าที่เตรียมมาไว้ให้แล้วนี้เถิดสัมภราเข้าของทุกชิ้นที่ติดตัวมาก็ไม่ต้องกังวลแบกหามให้เป็นภาระต่อไปทหารจะเป็นผู้นำบรรทุกไปบนหลังม้าต่างโดยไม่ให้ตกหล่นสูญหายเราจะเร่งการเดินทางให้เร็วที่สุดและจะพักแรมในหนทางข้างหน้าเพียงแค่ราตรีเดียวก่อนค่ำของวันพรุ่งนี้ก็จะถึงเขตพระนคร เชื่อถาซ่อนยิ้มแล้วสันศิสะช้าช้าเ ช, ช, ช, ชิงปฏิเสธพวกเราทั้งหมดจะไม่ยอมเคลื่อนไหวไปจากที่นี่เลยอย่างเด็ดขาดจะอยู่กันตรงนี้แหละถ้าหากเธอยังไม่ยอมตอบคำถามบางประการของเราในสิ่งที่เธอควรจะตอบได้บ้างก่อนพอสมควรใช่เราจะประท้วงโดยการไม่ยอมไปกับเธออย่างเด็ดขาดเมยาณีดาวินเสริมาอีคนอย่างเฉียวเครึ่งยิ้มครึ่งบึง้ง สภาพที่เธอเอาทหารมาดักรอและพบปากกับรอเชน่นนี้มันไม่เหมือนกับการมาต้อนรับกันเลยแต่คล้ายๆจะมาเกาะกลุมยึดตัวเป็นเฉลยเสียมากกว่าเพราะขอถามอะไรบ้างในสิ่งที่เราร้อนใจอยู่เธอก็ไม่ยอมบอกสักอย่างเมื่อครูน่นี้พี่ใหญ่ถามอะไรเธอออกไปเธอก็ทําเหมือนไม่ได้ยินอย่างนั้นแหละ อย่างจะรู้เหมือนกันอยู่เพียงแค่นี้ไม่ยอมเดินทางต่อไปใดๆทั้งสิ้นเธอจะทำยังไงต่อไปเมยานีหัวรอบคิกเข้ามาโอบ ก, กอดดารินไว้จุมพิษที่แก้มโดยแรงเมยานีก็โทษหนักสิคะที่ไม่สามารถจะเอาคณะของเจ้านายทั้งหมดไปให้ถึงมหานครได้ทั้งๆ ท, ท, ที่มารอพบแล้วพลางนางก็หันมายิ้มให้กับเชษฐาผู้ยืนกอดอก มองขมแงนิ่งมาอย่างค้นหาถามมาว่าพี่ใหญ่ถามเมยานีว่าอย่างไรคะเมื่อสักครู่นี้เชษฐายังไม่ได้กล่าวในทันทีนั้นนอกจากจ้องหน้าเฉยดารินกระซิบว่าอย่านึกว่าเป็นราชนีแห่งมรกรนครแล้วจะถูกหยิกไม่ได้นะเมยานีประเดี๋ยวเถอะประเดี๋ยวได้เห็นริดพี่สาวคนนี้ไม่บ้าดีเดือดจริงๆก็คงไม่บุกมาจนถึงมรกรนครอีกครั้งหนึ่งหรอก นางถอยห่างพระจากดารินออกมาอย่างรู้เชิงแล้วเดินเข้ามาเกาะแขนเชษฐาไว้เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงใสกังวาลฟังชัดเจนได้ยินไปทั่วในคณะของผู้ที่ติดตามค้นหารับผินว่าอย่า ก, กังวลร้อนใจไปเลยค่ะพี่ใหญ่คณะของพี่ที่มุ่งหน้าย้อนกลับมายัางมรดกนครแห่งนี้น่าจะตรงเป้าหมายที่สุดแล้วอากาศยานที่ประดิษฐ์ด้วยโลหะของมนุษย์จากโลกภายนอกลาหนึ่งได้หลงพลัด ล่วงล้ำดินแดนนี้เข้ามาและได้ตกอับปางอยู่ในแผ่นดินของเราถูกต้องตามที่พี่ถามเมื่อสักครู่นี้ทุกประการแม้จะมีสังหรณ์เชื่อมั่นเป็นทุนเดิมมาก่อนแล้วทุกคนของฝ่ายติดตามรับพินซึ่งเปิดโสดกว้างรับฟังอยู่ในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเชษฐาดารินอนุชาหรือชัยยันบัดนี้อยู่ในภาวะตลึงตัวชากันไปหมด ต่างยังไม่อาจพูดอะไรออกมาได้ในทันทีนั้นนอกจากมองสบตากันเองอยู่ไปมาขนลุกชันขึ้นทั้งกายมีความรู้สึกอันไม่อาจบรรยายได้ถูกเทพเจ้าทรงโปรดในที่สุดมันก็เป็นความจริงดารินวราริษขยับริมฝีปาก อุทานออกมาแผ่วเบาแทบไม่มีเสียงใบหน้าของหลอนซีดและแดงเข้มสลับกันอยู่เช่นนั้นชายยันและอนุชาเดดนิ้วโดยแรงอย่างสมหวังส่วนเชษฐายิ้มออกมาน้อยๆด้วยอาการที่ระ ง, งับความตื่นเต้นเอาไว้ยืนยันให้ฝ่ายพี่ได้มั่นใจอีกครั้งซิเมยานีว่าเธอได้พูดในความจริงเมยานีขอยืนยันในสิ่งที่พูดไปแล้วค่ะ อากาศยานลำหนึ่งของมนุษยชาติแห่งโลกที่นอกเหนือจากโลกของเราออกไปมาอับปางอยู่ในแผ่นดินของเราจริงเมื่อพวกพี่ได้ไปถึงมหานครแล้วก็จะได้เห็นกับตาตนเองสภาพของมันที่ตกหล่นลงมาพังพินาศอย่างไรก็คงทรงรูปลักษณะอยู่เหมือนเดิมโดยไม่มีพวกเราคนใดไปแตะต้องกับมันเลยและนี่คือสัญญาณบ่อเหตุให้องค์จักรรารงทราบได้ในทันทีว่า พวกพี่ๆจะต้องหวนกลับมาเข้ามาเยี่ยมเยือนพวกเราที่มรกรนครอีกวาระหนึ่งโดยพระองค์ทรงเฝ้านับวันรอคอยอยู่เราไม่ได้มาตามอากาศยานลำนั้นโดยตรงชา ย, ยันพูดขึ้นด้วยเสียงแหบตำ่ำแต่พรานใหญ่ระพินไพรวันเป็นผู้ออกติดตามอากาศยานลำนั้นพร้อมกับฝ่ายของเจ้าของอากาศยานลำที่อับปางสูญหายไปพวกเราโดยเฉพาะนายหญิงมุ่งติดตามพรานใหญ่ระพินอีกทีหนึ่ง พวกเขาออกเดินทางมาก่อนหน้าเราเจ็ดวันโดยไม่มีโอกาสรู้ได้พวกเราได้ติดตามไล่หลังเข้ามาตลอดเวลาแห่งการเดินทางเราตามเข้าไม่ทันไม่มีโอกาสได้พบกันระหว่างทางเลยแต่ทางด้านเรามั่นใจว่าเขามุ่งหน้ามาที่นี่และเราก็ได้ติดตามมาที่นี่นางคบศรีษะ น, น้อยอย่างยิ้มพลายจ้กรร่าทสงทราบในข้อนี้ดีแล้วค่ะพี่ชัยยันเพราะฉะนั้น เดี๋ยวนี้คำถามมันจึงมีอยู่ว่าพรานใหญ่ระพินที่ล่วงหน้ามาก่อนเราได้เหยียบเข้ามาถึงมรดกนครแล้วหรือยังและขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนอนุชาวราริศกล่าวขึ้นช้าชาชัดถ้อยชัดคำตรงเข้าหาเป้าหมายในทันทีดวงตาคมกริบ เต็มไปด้วยประกายลึกลับซ่อนงาในขณะเดียวกันก็ปะปนไปด้วยแววชื่นชมโสมนัสและศบสายตาของแต่ละคนไปตามลำดับจนกระทั่งมาจับนิ่งประสานอยู่กับดารินเป็นคนสุดท้ายพรานใหญ่ระพินนางพึมพำพร้อมกับถอนหายใจออกมานิดหนึ่งแต่ในการจับสำรวจอย่างแ น, วน่วแนงของดารินและทุกคนของฝ่ายติดตามมามองไม่เห็นแววทุกร้อนวิตกกังวลใดๆให้ปรากฏ เมยานีจะให้คำตอบแก่เหล่าท่านทั้งหลายได้อย่างไรจึงจะไม่ให้เป็นการฝ่าฝืนต่อองค์การประกาศศิษย์ของจักรราษที่รับสั่งให้ปิดปากสนิทไว้ก่อนก็แปลว่าเธอยังไม่ต้องการจะให้ฉันได้รับรู้ข่าวอะไรเกี่ยวกับรัพินในขณะนี้ทั้งๆ ท, ที่ก็รู้อยู่แล้วว่าฉันมาตามเขาอย่างชนิดเอาชีวิตแทบไม่รอดและแม้กระทั่งเหยียบขึ้นมาถึงแผ่นดินมรกรกนครนี้แล้วก็ตาม ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะรู้ข่าวอะไรของเขาบ้างเลยดาวเรนรุนกเรอชันหางเสียงผิดหวังน้อยใจเหตุใด น, นายหญิงจึงเอาแต่จะคาดคันเมยานีอยู่เช่นนี้แทนที่จะมุ่งเข้าสู่มหานครเพื่อพบองค์จักรราเสดยโดยเร็วเพราะสิ่งที่นายหญิงต้องการเห็นต้องการรับรู้ทั้งปวงคอยอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว นายหญิงบุกบันฝ่าฟันความทุกยากแสนสาหัสมาเป็นระยะอันยาวนานราชฐานมรกรนคร อ, อันจะเป็นแหล่งคลี่คลายปมปัญหาทั้งปวงรอคอยอยู่ในเส้นทางข้างหน้าใกล้ๆนี่นเองเพียงแต่ระยะเดินทางไม่เกินแต่วันตกดินพรุ่งนี้ก็จะถึงฉะนไหนเลยจะต้องมาเขี่ยวเข็นเมยานีให้บอกในสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างเมยานีก็ยังไม่อาจล่วงรู้ได้ นอกจากจะคาดคะเนเอาเท่านั้นที่แน่นอนและเป็นความสัต์จริงที่สุดก็คือเมญานียังไม่ได้พบเห็นพรานใหญ่รพินบนแผ่นดินส่วนใดของมรกรนครและถ้าจะถามทหารม้าทั้งกองทัพนี้คําตอบก็จะตรงกันคือยังไม่มีใครพบเห็นพรานรพินเลยทั้งสิน้นดารินแม้มริฝวปากแน่นเริ่มหดหูในดวงใจอีกหันไปทางพวกพี่พี่พึพมพำเสียงเครือ ถ้างั้นก็แปลว่ารถพินยังเหยียบขึ้นมาไม่ถึงดินแดนนี้มันน่าจะหมายความอย่างนั้นใช่ไหมคะเช่ถาเอื้อมมือมาบีบไหล่น้องสาวไว้ใจเย็นๆน้อยและมันก็เป็นความจริงตามที่เมยานีพูดไว้คือทำไมเราไม่รีบเดินทางเข้าไปพบจั ก, กรราเซียในทันทีจะซักถามอะไรให้มากเรื่องมันก็คงไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมารอเสียเวลาเปล่า เป้าหมายของเราอยู่ที่นี่และเราก็บรรลุเป้าหมายแล้วสำยังได้รับรู้แน่ชัดออกไปว่าเครื่องบี2มาตกที่นี่โดยไม่ผิดคาดไปเลยสมมติรพินได้มาถึงก่อนหน้าเราแล้วเราก็คงได้พบเขาที่ในเมืองหรือถ้าเรามาถึงก่อนหน้าเขาเพราะเราได้ทางลัดที่ย่นระยะและมีอุปสรรคน้อยกว่าเราก็เป็นฝ่ายรอคอยเขาอยู่ที่นั่นไม่น่าจะมีปัญหาอะไรให้ต้องคิดมาก นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดชัยยันกับอนุชาสรุปขึ้นพร้อมๆกันอย่างเห็นด้วยถ้าเช่นนั้นดารินตัดสินใจเด็ดขาดหันมาทางราชนีแห่งมรกฎนครเราก็พร้อมที่จะไปกับเธอเดี๋ยวนี้เมยานีหันไปบัญชาการกับทหารของนางในทันทีนั้นการเคลื่อนไหวเริ่มเกิดขึ้นแล้วชั่วไม่นานก็มีทหารจูงมาเข้ามามอบให้คณะของเชษฐาจนครบคนเพื่อให้ใช้เป็นพาหนะ ทุกตัวเป็นม้าศึกติดอาวุธของนักรบมรกรกนครครบครันสำหรับแช่ถาดารินอนุชาและชายันไม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกคนขี่ม้าคล่องแคล่วอยู่แล้วมีเฉพาะน้านอินขยินและพวกลูกหาบเท่านั้นที่ยังไม่คุ้นเคยกับการ น, นั่งไปบนหลังมา้าซึ่งก็มีทหารประกบคุมเป็นพี่เลี้ยงอยู่ใกล้ๆคนละคู่ โดยระมัดระวังไม่ให้ม้าสะบัด ต, ตกลงมาจากหลังส่วนสัมภาระเข้าของที่แบกหามกันมาก็แยกย้ายขึ้นไปบรรทุกอย่างมั่นคงแข็งแรงบนหลังม้าต่างพวกลูกหาพากันตื่นเต้นกับสิ่งที่ตนเองมาประสบะเผชิญพบเห็นอยู่ในขณะนี้โดยมีความรู้สึกเหมือนฝันไปฉะนั้นแต่ก็มีความรู้สึกอบอุ่นมั่นใจและรู้แน่ว่าพวกตนมีความปลอดภัยทุกประการท่ามกลางกองทหารม้าจากดินแดนประหลาด ซึ่งล้นเป็นมิตรอันแสนสนิทของฝ่ายเจ้านายทุกคนและพวกตนก็สามารถที่จะใช้ภาษาติดต่อเข้าใจรู้เรื่องกับเจ้าของแผ่นดินอย่างทะลุปลุกโปรงโดยไม่มีอะไรติดขัดเหมือนจะเป็นการใช้ภาษาเดียวกันแม้ว่าจะพูดกันคนละภาษาก็ตามครั้นแล้วกองทัพม้าทั้งหมดก็เริ่มเคลื่อนที่ตัดจากบริเวณทุ่งหญ้าขึ้นสู่ถนนใหญ่ที่เรียกว่าถนนพระศิวะ มุ่งหน้าไปตามทิศทางที่เข้าสู่มร ก, กรณนครในทันทีด้วยลักษณะของการควบขย o ที่ไม่ถึงกับเร่งร้อนอะไรนะักเป็นการเคลื่อนพลไปอย่างปกติไม่ได้ห่อเหยียดแต่ถึงเช่นนั้นมันก็ยังมีอัตราความเร็วกว่าการที่จะเดินทางเท้าเสียงฝีเท้าม้านับพันสะเทือนกึกก้องไปทั่วบนถนนกว้างใหญ่ยาวเหยียดสุดสายตาที่ไต่ทอดไปตามยอดเขาสูงสูงต่ำต่ำ คณะของฝ่ายอคาตุกาทั้งหมดถูกแวดล้อมอยู่กลางขบวนโดยมีกองหน้านำเมยาณีรวมกลุ่มอยู่กับฝ่ายของเชษฐาขนาบด้านข้างของนางคือดารินและอนุชาส่วนขยินและครูพรานานันอินอยู่ร่างท้ายของขบวน ล, ลูกหา่าที่เป็นแถวเรียงห้าอยู่เบื้องหน้าเพื่อคอยตรวจสอบม้าที่บรรทุกสัมภาระอย่างคนไม่ประมาทและรู้ต่อหน้าที่ของตนขณะนั้นดารินก็ปลดไรเฟิลที่สะพายเฉียงไหลออก แล้วโยนส่งไปให้พี่ชายกลางพร้อมกับบอกว่าฝากถือไว้ด้วยคะ่ะอนุชารับมาได้อย่างงงงไม่ทราบว่าเหตุใดน้องสาวจึงถอดไรเฟิลที่สะพายกับไหลโยนมาให้ยังไม่ทันจะอ้าปากร้องถามเช่นไรก็เห็นหล่อนเร่งฝีเท้าม้าดำสนิท ต, ตัวที่ขี่อยู่ตีขนาบข้างราชินีเมยานีแห่งมรกกนครเข้าไปอย่างกระชั้นชิดยกปลายขาที่สอดติดอยู่กับโกลนด้านซ้ายของมา้าไข้ ขึ้นมาไว้บนอา่านตะโกนร้องเรียกเมยานีพอนางหันมาทางเสียงเรียกร่างของดารินก็ลอยละลิว้วอย่างผาดโผนไปครอบอยู่บนด้านหลังของม้าเมยานีวงแขนทั้งสองรวบกอดเอวของนางไว้กลายเป็นเพ่นจากหลังม้าของตนเองเข้าไปอาศัยเกาะหลังเมยานีขี่ไปตัวเดียวกันนายหญิงระวังตกม้านางร้องออกมาอย่างตกใจเพราะคาดไปไม่ถึง ไม่มีวันเสละถึงฉันจะขี่ม้าไม่เก่งเหมือนอย่างเธอฉันก็เคยขี่มา้าผาดโผลนมาแล้วฉันจะใบม้าตัวเดียวกับเธอไม่งั้นคุยกันไม่ได้ถนัดหลนตะโกนกรอกซองหูเมยานีขณะที่กอดเอวของนางพญาผู้เจนศึกของมรกรนครไว้แน่นเมยานีหวร้อแหลมนายหญิงเก่งกล้าเหลือเกินถ้าโดดเกาะพลาดหล่นลงไปเมื่อครู่ ม้านับพันที่ควบตามหลังจะเหยียบนายหญิงแหลกเป็นผงทีเดียวเสี่ยงกว่านี้ฉันก็เคยทำมาแล้วนับประสาอะไรกับการสับเปลี่ยนม้าสึกขณะที่กำลังวิ่งอยู่เอาละเธอบังคับม้าไปฉันจะเกาะหลังแล้วเราจะตะโกนคุยกันฉันจะกรอกเสียงเข้าไปในรูหูของเธอให้หูแตกทีเดียวถ้าเธอไม่ยอมตอบอะไรให้ฉันพอใจเมยาณีแงหน้าหัวเราะ เส้นผมยาวเป็นคลื่นงามของนางและของดารินปลิวสวยัยทั้งคู่ขี่ม้าไปตัวเดียวกันท่ามกลางสายตาของพี่ๆที่แลมาเห็นอย่างตะลึงตกใจไม่คิดมาก่อนว่าดารินจะกล้าเสี่ยงอย่างบ้าบิ่งถึงขนาดนั้นแทบจะดูไม่ทันทีเดียวระหว่างที่หล่อนเพ่นจากหลังมา้าตัวที่กำลังควบอยู่โดดไปเกาะหลังม้าของเมยานีไว้แต่ทุกคนก็สามารถเข้าใจได้ ว่าดารินต้องการอยู่ใกล้ชิดกับเมยาณีมากที่สุดในระหว่างการเดินทางเมยาณีรักนายหญิงอยากให้นายหญิงอยู่ในมรกรนครตลอดไปแล้วฉันจะอยู่กับใครละ่ะที่มรกรนครนั่นทั้งสองตะโกนโต้ตอบกันได้ยินกันเฉพาะสองต่อสองท่ามกลางเสียงฝีเท้าม้ารอบด้านที่กระหึ่มกล้องไปหมดอยู่กับพรานใหญ่ระพินอยู่ในท่ามกลางคนที่รักพักดีต่อนายหญิง พรานใหญ่ระพินน่ะเหรอก็เดี๋ยวนี้เขาเป็นตายร้ายดีหรือว่ามีความสุขสมบูรณ์อยู่กับใครที่ไหนล่ะชีวิตของพรานระพิน์จะไม่มีความสุขสมบูรณ์กับใครได้นอกจากนายหญิงของเมยาณีคนนี้เท่านั้นนายหญิงประเสริฐสุดแล้วที่ตัดสินใจติดตามเข้ามาเมยาณีขอคาระวะในน้ําใจของนายหญิงนายหญิงไม่ทอดทิ้งคนที่แสนรักและภากดีต่อนายหญิงจนสุดชีวิต นั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วต่อไปนี้ฉันจะไม่ทอดทิ้งหรือปล่อยให้เขาห่างตาอีกแล้วแต่เธอไม่ยอมบอกฉันว่าขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนแล้วนายหญิงจะได้พบเขาเองสมกับคำอธิษฐานไว้ในระยะอันไม่นานนี้นะักฉันถามว่าขณะนี้เขาอยู่ที่ไหนดารินจอบ ป, ปากเข้าไปใกล้หูเมยาณีตะโกนแหลมสุดเสียงจนนางต้องแย่เขี้ยวหลับตาลงถ้าเมยาณีบอกว่าไม่รู้ ก็แปลว่าเธอโกหกหรือแกล้งปิดบังฉันฉันรู้ว่าเธอรู้อย่าตะโกนกรองหูเมยานีหูจะดับแล้วก็บอกมาสิไม่งั้นจ ะ, จะไม่ตะโกนเฉยๆนะจะเวียงให้ตกหลังม้าไปเลยลองดูไหมเวียงเมยานีนะ่ะเมยานีไม่ตกหรอกระวังนายหญิงจะตกลงไปเองเอา้าวยอมบอกให้แล้ว เวลาเดียวกับที่นายหญิงไต่เขาขึ้นมาถึงกลางถนนพระศิวะพรานใหญ่รภพินนำคนฝ่ายเขาไต่ขึ้นหัวถนนพระศิวะแล้วห่างกันโดยระยะมา้าเดินทางเพียงครึ่งวันเท่านั้นคณะของนายหญิงจะเดินทางถึงราชฐานมรดกนครก่อนค่ำพรุ่งนี้คณะของพรานรพินจะถึงราชฐานยามเที่ยงคืนเดียวกันถ้าไม่มีการหยุดพักแต่ถ้าหยุดพักก็จะไปถึงในเวลาเช้าเมยานีเสสัจจะ ที่ให้ไว้กับองค์จักรราชแล้วที่รับสั่งกำชับมาว่าไม่ให้เพริงพายใดๆทั้งสิ้นสวรรค์ทรงปโปรดเป็นความจริงหรือเมยานีแล้วนายหญิงจะได้เห็นเองแต่ขอสัจจะแกมเมยานีสักข้อสัจจะอะไรอย่าเพลิงพายโดยวาจาให้พวกของนายหญิงคนใดรู้ในสิ่งนี้ก่อนอย่าแสดงให้รู้แม้แต่อาการกิริยานาเรนวราฤทธ ดีใจจนสุดขีดแทบลืมตัวกอดรัดเอวเมยานีไว้แน่นจนอีกฝ่ายร้องอุทานลั่นออกมานายหญิงเมยานีจะหายใจไม่ออกอยู่แล้วเมื่อนั้นหล่อนจึงรู้สึกตัวคลายอ้อมแขนที่รัดเอวของนางพญามรกตนครออกฉันจะให้สัจจะต่อเธอจะไม่แพ่งพลายอะไรให้พวกเราที่มาทั้งหมดนี่ได้รู้ก่อนเลยแต่เธอต้องตอบฉันไปตามจริงทุกอย่างที่เธอรู้ ขณะที่ตะโกนพูดดารินเอาใบหน้าแนบกับแผ่นหลังของเมยานีอย่างแสนรักสนิทระหว่างที่ม้ากำลังเพ่นผลวิ่งนี่แปลว่าเธอรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพียงแต่ยังไม่ยอมบอกฉันแต่แรกเท่านั้นเธอแน่ใจหรือว่ารถพินไต่ขึ้นต้นทางของถนนพระศิวะจากบริเวณเนินพระจันทร์แล้วเวลาเดียวกับที่พวกฉันไต่ขึ้นมากลางเส้นทางของถนนนายหญิงสบายใจได้ พรานรพินและคณะของเขาขึ้นสู่ส่วนปลายสุดของถนนพระศิวะแล้วเหมือนเมื่อครั้งที่เขาได้นําพวกของนายหญิงมาในครั้งก่อนแต่อิตรยเหนื่อยยากแสนสาหัสกว่าฝ่ายของนายหญิงมากนักเพราะพวกเขาต้องไต่ตัดเทือกเขาสูงขึ้นมาหลายเทือกทั้งสองตะโกนตอบโต้สนทนากันโดยไม่มีใครอื่นสามารถจับกระแสความได้ทั้งสิ้นเนื่องด้วยเสียงฝีเท้าม้า ก, กรบหมด แปลว่าเขามุ่งมาทางเนินพระจันทร์โดยไม่ได้เลือกเส้นทางอื่นเลยเขาขึ้นมาทางเก่าแต่ฝ่ายของนายหญิงลัดทางมาโดยการนำของวายาจึงตัดขึ้นสู่ถนนพระศิวะในส่วนกึ่งกลางของถนนนายหญิงได้มาดักหน้าเขาแล้วแม้จะเป็นฝ่ายติดตามมาทีหลังก็ตามมิญานีตอบโดยประศจากการปิดบังอมพนัอีกต่อไปดีจริงวิเศษสุด ฉันพยายามจะตามเขาให้ทันระหว่างทางแต่แล้วกลับเป็นว่าฉันได้มาถึงจุดหมายปลายทางก่อนพวกเขาเสียอีกคิดไปไม่ถึงเลยแต่ทั้งหมดนี้เธอรู้ได้อย่างไรจักรราทรงร่วงรู้เหตุการณ์หมดทุกอย่างและทรงกระซิบสั่งความเกเมยานีเพื่อ ให้รู้ล่วงหน้าทุกประการโดยไม่ทรงปิดบังในขณะที่กองมา้ารักษาพระ อ, องค์ส่วนใหญ่ภายใต้บัญชาของเมยานีได้มุ่งมาดักรออยู่ยังจุดที่คณะของนายหญิงจะไต่าทางขึ้นมาอีกกองทัพหนึ่งก็ได้รับบัญชาให้ไปรอคอยดักรับฝ่ายของพรานรับผินพร้อมกันแล้วอย่างต้นทางของถนนพระศิวะขณะนี้เชื่อว่าคงพบกันแล้วและคงอยู่ในระหว่างเดินทางมาตามถนนสายนี้เช่นกัน ดารินลืมตากว้างร้องออกมาเมียญนีถ้าเช่นนั้นทำไมเธอไม่บอกให้พวกเราพักรอเขาอยู่อย่างตาแหน่งที่เราโผล่ขึ้นมาบนถนนฉันต้องการพบเขาโดยเร็วที่สุดทำไมถึงรีบเอาพวกเราทั้งหมดออกเดินทางล่วงหน้าไปก่อนนี่ถ้ารอก็คงจะได้พบกันในระหว่างเส้นทางอยู่แล้วมีกระแสรับสั่ง มาจากองค์จักรราชให้เมยานีรีบนำคณะของนายหญิงออกเดินทางเพื่อมุ่งเข้าสู่มหานครโดยทันทีอย่างมิชักช้าเพื่อให้ถึงราชฐานเสียก่อนโดยเร็วไม่ทรงอนุญาตให้เสียเวลาหยุดรอนี่จึงเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รับสั่งกำชับมาหนักหนาถ้าไม่เลือกมดาดักรับทางฝ่ายชัน ก็น่าจะไปคอยดักรับทางฝ่ายรพินแต่นี่ไม่เห็นวี่แววอะไรของเขาเลยหรือเดี๋ยวนี้เขาคือสมเด็จพระจั ก, กรราธิราชไปเสียแล้วจึงถือพระเกียรติไม่ยอมลดองค์ลงมาเพื่อมาเป็นฝ่ายพบเรานอกจากประทับอยู่บนบันลังเพื่อให้ฝ่ายเราคลานเข้าไปเฝ้าประโยคหลังดารินเน็บมาอย่างน้อยใจและคนพิศวงสงสัยเมยาีสงเสียงหัวร้อลั่น ไปถึงมรกรนครแล้วนายหญิงจะได้รู้เองว่าอาดีตคนรับใช้เก่าของนายหญิงทําอะไรอยู่ที่ไหนเมยานิจะพาไปให้เห็นกับตาถ้าหากว่าคนที่เคยมีนามเรียกขานว่าแง่ทรายไม่ประพฤติปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งฝ่ายของนายหญิงและฝ่ายของพรานรพินจะไม่มีวันเดินทางย้อนกลับมาถึงดินแดนนี้อีกได้เลยและทั้งสองฝ่ายก็จะไม่มีวันได้พบกันอีกแล้ว ถ้านายหญิงและพรานระพินตลอดจนทุกคนที่มากันในครั้งนี้ได้ไปเห็นสภาพของแง่ทรายในขณะนี้ก็จะรักแง่ทรายขึ้นอีกมากมายนะและแทบไม่เชื่อสายตาเขาคือสมเด็จพระเจ้าจั ก, กราธิราชก็จริงอยู่แต่สำหรับพวกเจ้านายเก่าแล้วเขาก็คือแง่ทรายคนเดิมนั่นเองเขารู้เห็นหมดทุกอย่างนับตั้งแต่อากาศยานของมนุษย์โลกจากภายนอกมาอับปางอยู่ในมรกตนคร รู้ว่าพรานรพินจะต้องหวนกลับมาที่นี่และรู้อีกด้วยว่านายหญิงจะต้องออกติดตามพรานรพินมาหนทางก็ห่างไกลยากแค้นทุรกันดาร น, นักถ้าเขาไม่กระทําการอย่างใดสักอย่างหนึ่งบุคคลทั้งสองดารินกับระพินจะตามกันไม่ทันอีกแล้วในชาตินี้คำพูดของเมยานีทําให้ดารินต้องนิ่งอึ้งไปไม่อาจแซาซีถามอย่างไรต่อไปได้อีก เพราะนางพญาแห่งมรดกนครได้ให้ข่าวอันเป็นประโยชน์แก่หลนมากที่สุดเท่าที่จะให้ได้แล้วคงขอดังมา้าเมยานีไปอย่างสงบเรือมองหลังไปทั้งด้านซ้ายและขวาก็เห็นพวกพี่ๆและคณะที่เดินทางมาด้วยกันทั้งหมดยังคงตามหลังมาเป็นขบวนท่ามกลางการแหนล้อมของเหล่ากองทัพมา้าอันมีจำนวนมากมายเหล่านั้น